ความจริงถ้าทำงานพอกินพอเก็บก็ควรแก่การพึงใจไม่น่าเดือดร้อนอะไรแล้วแต่ธรรมชาติของมนุษย์จะแสวงหาสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีไปเรื่อยเรืเรียกว่าถ้าให้โลกทั้งใบก็จะเอาดวงจันทร์ดาวอังคารเรื่อยไปจนกว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมางงงันว่านี่เราจะเป็นลาวิ่งตามเหยื่อที่เขาแขวนไว้บนไม้ล่อตาทำไมคนส่วนใหญ่ตายก่อนจะมีโอกาสลืมตาตื่นขึ้น